ข้อความเจริญในธรรมจุ ม, มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมประโธิยานในวันนี้ก็จะพูดเรื่องทุกขะนิโรธกาไมดีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับทุกข์ก็ได้แก่อริมัตทั้งแปดประการก่อนหน้าน้านานานมาแล้วคือได้ เรื่องสมาธิิที่เป็นโลกิยะก็ได้แก่กรรมมสกตาสมาธิิคือปัญญาเน้นชอบในกฎแห่งกรรมวิปัสนาสมาธิปัญญาเน้นชอบตามความเป็นจริงอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนในเรื่องเหล่านั้นจนสามารถลดละตนามนาธิติลงไปและมักาสมาธิปัญญาเน้นชอบใน เหตุหรือว่าในมรรคในทางดำเนินไปสู่ผลแล้วก็พระราษฎรสมาธิเคอเห็นชอบในผลปัจจเวกขณะสมาธิปัญดาลิ้นชอบที่เกิดขึ้นจากการเป็นพินิษพิจารณาตรวจสอบสิ่งเหล่านั้นตามสมควรแก่กร น, นี้ในวันนี้ก็จะอธิบายเรื่องสมาธิที่เป็นองค์มรรค ก็กลับมาที่เดิมนะฮะว่ากันตามความจริงแล้วต่อมาทิฐิที่เป็นองค์มรรคก็คือปัญญาเด็นชอบในอริยสัจทั้งสี่ประการเียนชอบในทุกข์ใน เ, เกิดแห่งทุก์ในความรับทุกขในข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความรับทุกขนั่นเองแต่ความเห็นชอบซึ่งเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติ จนอะเรมักไปอประการนั้นผนึกเป็นเนื้อเดียวกันที่ทราเรียกว่ามรรคสามมังคีคือมรรคมาเป็นอันเด่งกันเดียวกันหรือว่าสามมังคีกันก็กลายเป็นพลังในการทําลายกิเลสคือทําลายตัณหามานติฐิออกไปจากจิตใจของบุคคล นั่นก็คือยานที่เกิดผุดขึ้นรู้เห็นความจริงในริยสัตย์แต่ละข้อโดยนย่าที่กล่าวแล้วแต่ในช่วงนี้จะมาพูดรายละเอียดเรื่องทุกเพราะว่าเรามองโดยภาพรวมในสายตาของพระอรหันต์ท่านถือว่าโลกเนี่ยเป็นกองของทุก จนถึงก็บอกว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับลักษณะของทุกขลักษณะลักษณะที่กำหนดว่าเป็นทุกข์นั้นประการแรกเพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันมีปัจจัยปรุงแต่งเราก็มองย้อนกลับไปที่ตัวทุกขสัต์ ทีเกิดให้รายละเอียดไว้เฉพาะในอธิบายทุกขสัจปรปิยายของทุกเวลาทรงแสดงในส่งแสดงเยอะมากโดยนัยะต่างๆก็หยิบขึ้นมาตามพื้นฐานของผู้ฟังที่จะสามารถเข้าใจโดยโวหารตรงนั้นแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือทุกกายกับทุกใจนะเพียงแต่ว่าตัวการใหญ่นั้นมันมาจาัด จิตที่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นคือสรุปว่าทุกตัวกันใดญจริงๆมันมาจากกิเลสปัจจัยที่มาปรุงแต่งขอให้เกิดเป็นทุกข์เช่นสมมติว่าทุกข์ใหญ่เนี่ยคือชาติชรามรณะเกิดแก่ตายเนี่ยมันก็เกิดมาจากเหตุปัจจัยเราจะานี่เหตุปัจจัยก็มีสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นนามนธรรมอย่างหนึ่งเป็นรูปรธรรม อย่างที่ทรงแสดงไว้ในมหาเสียนาทถสูตรนั้นเป็นการเน้นที่ส่วนรูปธรรมว่ามารดาบิดาร่วมกันมารดามีระดูนะฮะมารดาบิดาร่วมกันแล้กันทัพอุปัฏติโตตัวขันทัพอเนี่ยตัวคนท่านเนี่ยเป็นลักษณะของนามธรรมาแต่ว่าเป็นผลรวมของ กิเลสกรรมแล้วก็วิญญาณตัวเขาก็คือวิญญาณนั่นแหละแต่มันเกิดมาจากกิเลสกรรมแล้วก็อาศัยนามรูปซึ่งเป็นการผสมกันระหว่างเชื้อทั้งสองฝ่ายก็กลายเป็นชีวิตแล้วก็ผ่านการเจริญเติบโตมาเรื่อยๆนะจนครอดออกมาจะขัดบรรดาษนั้นแสดงว่ามีปัจจัยปรุงแต่ง แต่พอนั้นปั๊บมันก็แปรปรวนตลอดอยาเวลาเลื่อนไหลไปเรื่อยๆก็อยู่ในคันก็เดือดร้อนเร่าร้อนด้วยประการต่างๆเพราะถูกเบียดเบียนด้วยสารพัดจากข้างหนบ้างกังนออกบ้างแม่ขยับตัวทีหนึ่งเด็กข้างในก็แย่แล้วเนี่ก็จะแสดงให้เห็นถึงว่าความทุกข์นั้นมาปรากฏที่ตัวความเกิดความแก่ความตาย แล้วก็แสดงออกมาให้เห็นว่าคนเกิดคนแก่คนตายก็เป็นทุกข์ตัวความทุกข์เนี่ยมันแสดงแก่ตัวคนนะฮนะแต่ตัวมันเองมันเป็นความมันเป็นนามนธรรมเพียงแต่ว่าเราก็ดูมันไม่ออกก็ดูที่ตัวคนซึ่งประสบกับความแก่ความตายเอ่อความเกิดความแก่ความตายแต่เวลาที่ท่นานอธิบายจริงๆท่นานอธิบายที่คนเกิดนะฮะอธิบายที่คนเกิดคนแก่คนตายเพราะว่า มันสื่อสารง่ายกว่าตัวความตัวความเป็นนามนธรรมเนี่ยมันสื่อสารยากแต่สรุปแล้วก็เป็นกา ย, ยิกระทุกเจตสิกระทุกนะฮะคือทุกกายกระทุกใจทีนี้ในบางการณีเนี่ยจะมีการจำแนกแสดงเช่นสมมุติว่าทรงแสดงโดยในยะหนึ่งว่าทุกเวทนาได้แก่ความไม่สบายที่เกิดขึ้นแก่ร่างกาย เจเจ็บปวดมีบาดแผลถูกแทงถูกกดถูกบีบอะไรแตะ่ะไรก็ตามนะฮะมันก็ขอให้เกิดทุกเวทนาขึ้นมาแล้วก็ทุกประจําสังขารคือชาติสรามมณะนะฮะทุกประจําเนี่ยแล้วก็ทุกลักษณะซึ่งก็หมายความว่ามันเกิดขึ้นจากถูกกระทาให้ประสบความทุกข์ ชนบทจองจําถูกเบียดเบียนถูกประทุษร้ายถูกจริงถูกแทงถูกฟันอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ทุกข์กระสับโดยทุกในริยษัทก็อย่างที่ว่าแล้วนะฮะมีการปรุงแต่งเบียดเบียนเล่าร้อนแปรผันมีทุกโดยนัยหนึ่งที่ก็ทรงแสดงให้เห็น การแรกเรียกว่าทุกขทุกคือทุกข์ที่เกิดพร้อมกับทุกขเวทนาตัวนี้เน้นไปที่ความไม่สบายใจนะฮะแต่ความไม่สบายนั้นเกิดขึ้นที่กาก็ไดิทใจก็ได้แต่ว่าใจเป็นตัวเสวยเป็นตัวรู้มันเป็นทุกขวิปยนามาทุกขได้แก่ธรรมที่เกิดพร้อมกับสุขเวทนามันไปเคี้ยวกินความทุกข์คือทําให้ความทุกข์มันลดลงไปเราก็ได้สัมผัสกับความสุข แล้วก็อีกหนึ่งเรียกว่าสังสารทุกข์กาแก่ทําได้เกิดพร้อมก็เบื่อขาเวทนาหมายความว่าไม่ถึงกับเป็นสุขเป็นทุกข์แต่ว่ามันสืบเนื่องมาจากการเกิดในสังสารวัฏของบุคคลสํานวนเหล่านี้เวลาพระอาหารหันต์นั่นพูดเนี่ยนั่นพูดเราเป็นโทษของวัตตะ คือเราประสบภัยะสบอันตรายประสบความทุกข์ประสบอะไรก็ตามนะท่านเรียกว่ามันเพราะวัตไดเพราะนันเป็นภาพรวมสุขกดีทุกข์กดีไม่ทุกขไม่สุขกดีนี่ที่จริงมันมาจากเราเกิดมาือแสดงว่าเราหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏถ้าเราไม่หมุนวนในสังสารวัฏปัญหาเหล่านี้มันก็ไม่มีอะไรอีก่าหนึ่งก็ปริยายะทุกข์ก็ได้แก่ทําได้เกิ ด, ททกดพร้อมก็สุขเวทนาแล้วเบขาเวทนา ในแง่ของความจริงนะฮะคือว่ามันก่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแล้วก็อาศัยเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันยิ่งย้อนไม่เหมือนกันอีกประการนึงเนี่ยท่านจำแนกแสดงไว้ถึงเจ็ดประการบ้างสิบประการบ้างสิบสองประการบ้างนะฮะเยลองสังเกตว่า น, นี้แต่ละอย่างในที่จริงมันเป็นปริยาย คือในแง่ของการศึกษาเนี่ยผู้ศึกษาก็ต้องเรียนรู้ไปทั้งหมดเพื่อนําไปใช้ให้เหมาะวมแก่กลุ่มคนซึ่งเราต้องการจะสื่อสารด้วยเราต้องการจะติดตามแจะติดต่อด้วยแต่เราจะเอามันทั้งหมดมันก็ไม่ได้นะพูดมากไปมันก็จะเกิดความสับสนแต่วันในภาคของการปฏิบัติเนี่ยคือเราเข้าใจวันนี้มันเป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัย อย่างน้อยมันก็่อให้เกิดการปร่งตกในอารมณ์ทั้งหลายเช่นสมมุติว่าเราบอกว่ามันธรรมดามันเป็นข้ามันอย่างนั้นเองธรรมชาติของชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละนะสภาพของชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละมันมีใครที่จะผ่านพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้หรอกเราคิดได้อย่างนั้นนะฮะก็จะบันเทาทุกโถมันนัดความมืดหนาดขัดข้องภาในใจลงไปได้มากแล้ว วันแนวการศึกษาหรือปริยายต่างๆเนี่ยเมื่อเรานำมาศึกษาดูแลวจะจะอธิบายไว้เยอะเยอะมากตัวเว่าในพวกของเขาเรียกว่าปฏิสัมพิทามรรคก็ดีนะฮะจุลนิเทศหมานิเทศอะไรแต่ไรเนี่ยแต่ละข้อแต่ละอย่างเนี่ยจะชี้แจงโดยพิสดารแล้วในอภิธรรมปิฎกก็พูดไว้เยอะข้อต่อไปก็ตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าบางคาก็ซ้า แต่ว่าเป็นปริยายติสนาบางครั้งคนกลุ่มหนึ่งพูดสักสสักข้อเดียวก็พอแล้วคนบางกลุ่มก็อาจจะพูดสามข้อบางกลุ่มก็อาจจะพูดสี่ข้อบางกลุ่มก็อาจจะพูดเจ็ดข้อบางกลุ่มก็อาจจะพูดสิบข้อหรือสิบสองข้อเพราะมันจะมีบทซ้ำแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละมันก็ไม่รู้จะว่ายอย่างไงว่าทาไมต้องพูดซ้าก็มันซ้าอะก็ชีวิตมันซ้ำนะ่ะ เราเห็นว่าทุกคนที่เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลาดพราดสูญเสียเห็นไหมพูดเมื่อไหร่มันก็เหมือนนั้นเนี่ยเกิดมากี่คนมันก็เหมือนนั้นมันมันเป็นของมันอย่างนั้นเองแต่ว่าเราก็มีปัญหากับเขาคือเราทําใจไม่ได้เรายอมรับไม่ได้เราต่อต้านเราขัดขืนเราไม่ยอมแล้วในสุดเราก็เดือดร้อนเพราะการไม่ยอมเนี่ยแต่นั้นเราเวลาไปศึกษาเชิงบริยายเนี่ยเราก็จะพบในย่าต่างๆ แต่หมายความว่าตั้งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นป ร, ริญญาตปฏิธรรมซึ่งมันเกิดมาจากเหตุมันเองมันเป็นผลซึ่งเกิดมาจากเหตุเราก็เพียงแต่ว่าทํายังไงจะหาประโยชน์จากมันมันก็เป็นครูนะฮะเป็นครูสอนเราก็บอกคล้ายๆก็บอกว่าฉันเป็นอย่างเงี้ยมือฉันอยู่กับเธอก็ทําให้เธอเป็นอย่างที่ฉันเป็นนี่แหละ เพราะฉันก็คือตัวความแก่ความเจ็บความตายการพลาดพลาดสูญเสียเธอก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลาดพลาดสูญเสียนะแต่มันพูดได้นะมันก็พูดแหละแต่เราก็เรียนรู้ศึกษาจากเขาเรามามองเอาเฉพาะข้อที่ไม่ซ้ํานะฮะเช่นว่าประจิ้นประติดฉันนะัทุกคือทุก ท, ทุกที่บดปิดปกปิดไว้ไม่ได้นะะ คนอื่นเห็นเช่นการปวดหัวหรืออาการของโมหะหรืออาการของอทุกเวททุกเวนาต่างๆในเราปกปิดไว้ไม่ได้ทุกเรื่องหรือคือปกปกปิดไปได้นะฮะบางอย่างในปกปิดไปได้แต่อัปตินจั น, นทุกเนี่ยทุกที่ปกปิดไว้ไม่ได้คือเปิดเผยคนอื่นก็เห็นท่านฟังคงจะคุ้นคาว่าปัติน ปฏิจฉันนาชลาอปติจ ช, นชัชนนชลาคือชลาเปิดกับชลาปิด ต, ตอนเราเกิดใหม่ๆมาจนถึงเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยก็ถือว่าชราเปิดไม้ชลาปิดแล้วก็พอเริ่มกลางคนไปแล้วในชราเริ่มเปิดอ่ะมันปกปิดไว้ไม่ได้ทั้งความทุกข์เป็นอันมากเนี่ยมันอยู่ภายในใจคนถ้าเก็บไว้กับกรุ่มไว้ตกกังวลปวดหัวปวดท้องอะไรต่ออะไรเนี่ย มันเราเห็นได้ก็เฉพาะอาการแต่ปวดจริงๆมันเห็นไม่ได้แล้วก็ทุกที่พลอยทุกไปกับเขาด้วยนะฮะาญาติพี่น้องตายญาติพี่น้องประสบการ์พลาดพลาดสูญเสียเพื่อนฝูง เ, เกิดทะเลาะวิวาดกันแล้วก็ไปเดือดร้อนแล้วเขาด้วยแต่ว่าตรงนี้ใจเราต้องเชื่อมนะฮะใจเราต้องเชื่อมว่ามันเป็นของเราเป็นพวกเราเป็นเพื่อนเราเป็นญาติเราเป็นพี่น้องของเราเ นะถ้าเอาของเราเข้าไปเกี่ยวแล้วเราก็เป็นทุกข์แหละเรียพรอยทุกข์กับเขาอย่างว่าเพื่อนเราอย่างเงี้ยทุกข์ก็ทุกข์กด้วยสุขก็สุขด้วยก็เป็นกาลยานามิตรกันทุกข์ก็ทุกข์กด้วยสุขก็สุขด้วยเรื่อยันหนึ่งก็คือนิปริยายะทุกข์เป็นทุกข์โดยตรงเกิดโทมนัตอุปาญาตคือคับแค้นใจ เก็บสะสมมืดาดาดขัดข้องเรื่องมันเยอะแล้วก็สะสมเอาไว้ภายในใจอันนี้ก็เป็นเป็นปริยายหนึ่งแล้วบางทีก็ยังมีปริยายอื่นนะฮะเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยไม่ซ้าเลยนะคำที่ทรงใช้เรียกเนี่ยไม่ซ้าเลยอย่างในกรณีที่ทรงจำแนกแสดงไว้สิบข้อเนี่ยมันมีอยู่เพียง ก็สองข้อนะฮะถือว่าซ้ําเนี่ยคือสภาวทุกทุกประจําสังขารคือเกิดแก่ตายแล้วการทุกขขันคือกองแห่งทุกได้แก่จิตที่ยึดมั่นถือมั่นในขันดั้งห้าว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวเป็นตนตของเราเนี่ยก็เป็นทุกทีนี้ในกรณีที่ทุกจรตรงนี้ก็ทรงสแสดงไว้ในเรียสตัตสีเราจะในทุกขัสัตในเรียสตัตสีเนี่ยเราจะเจอเรื่อยนะโซเกฮิเปเนเวฮิรุเคฮิโรมันเซฮิปายาเซฮิอะไรเนี่ย ความสูงความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจเป็นต้นเนี่ยครับถือว่าเป็นทุกข์ทีนี้อีกอย่างหนึ่งคือทุกข์หนึ่งนิดที่เคยบอกว่าคนเรานี่เอากสิสิทธิ์อย่างนี่มันสบักสบอมเต็มทีแล้วนะฮะคือหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะง่วงนอนนะฮะแก่เจ็บตายมันวนเราจะแย่เลย เอาขนาดว่าปวดหัวปวดท้องปวดอุจจาระวประวดปัปปะสสาวะสองอย่างเนี่ยก็ย่าแย่แล้วจะเดือดร้อนวุ่นวายกับเรื่องเหล่านี้ตลอดแล้วก็ทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเออตรงนี้ถ้าเราทําใจได้เนี่ยจริงๆมันก็บอบเบลนะฮะหรือไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรมันเท่าอะไรเวลานี้ที่จริงหมอช่วยอะไรไปเยอะ ตึงเจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยเดี๋ยวเมื่อก่อนปวดก็ปล่อยให้ปวดเต็มที่เลยในเวนี้มียาแก้ปวดมียาชามียาอะไรแต่ไรก็ช่วยๆกันก็ทำํำไม่ค่อยไม่ก็เห็นทุกเท่าไหร่เวลาตอนจะผ่าตัดเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยแต่มาก็โดผ่าตัดหลายครั้งแล้วก็คือบางคราวเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยนะะตลอดระยะเวลาจนหายเนี่ย ไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรเลยตอนผ่าเราก็ถูกวางยาสลบไปก็มองอีกทีหนึ่งก็ทำให้เราห่างไกลจากความทุกข์ไปแต่ให้เชิญหน้าจะบ้างก็ดีเหมือนกันเ่สันปา่าสันตาป่ทุกอันนี้ทุกข์ที่เกิดจากการปรุงคิดคิดปรุงของเรา มันถูกเผาลนด้วยเพลืงราคาโทสะโมหะเนี่ยเราสังเกตพยายามใดที่ใจถูกเผาลนด้วยแรงราคะคือความกำหนัดความต้องการเปิดเปิดเฉย ช, ชมยิน ด, ดีในทางเพศเนี่ยกระสันอยากจะได้จะมีจะเป็นจะครอบครองจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแต่ว่าเป็นไปไม่ได้ก็คือทุกฝนเงินเล่นเล่นตายนะราคาบางทีค่าตัวตายเยอะสังเกต แล้ว ก, กลายเป็นตานานอะไรต่ออะไรต่างๆถ้าเรามามองวิเคราะห์แล้วเนี่ยที่จริงมาเป็นสันตาประทุกข์คือหให้ความเราดึงขึ้นมาเองทําไมคุณจะต้องไปตายกับคนซึ่งเพิ่งเจอกันนั่นก็แสดงให้เห็นถึงอาการของโมหะมันราคามาะมากโลระมากโทสะมากโดยเฉพาะพวกราคะในข่าวคราวหนุ่มสาวที่ฆ่าตัวตายเนี่ยโดยเฉพาะเป็นอาการโมหะกับราคะ คือความกำหนัดแบบหลงๆบางทีก็พร้อมเพียงกันฆ่าตัวตายบางทีก็คนอื่นครอบครองเราครอบครองไม่ได้คนอื่นก็ครอบครองไม่ได้ข่าเขาตายตัวเองก็ติดคุกอันเนี้ยรุ่งรุ่งอยู่เนี้ยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเรื่องใจไปเหนี่ยวเอาเองถ้าแสดงว่าเราให้เกิดก็ได้ไม่ให้เกิดก็ได้แต่เราไปปล่อยมันเกิดเพราะมันเกิดมันก็มีอิทธิพลเหนือใจเรามันก็ครอบนาใจเรา ทมให้เกิดความกำหนัดความเราร้อนรุนแรงโทสะก็เหมือนกันเนะครับบางครั้งบางคราวเกิดโถมนัดเกิดโทสะเกิดขัดเคืองเกิดเกิดแค้นทำอะไรไม่ได้ก็เตะฟาผนางังเตะอะไรไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกวิปากทุกข์คือทุกข์เพราะผลกรรมมาตามสนอง คือผลกรรมเนี่ยเป็นเรื่องมันเรื่องอย่างที่บอกไว้ว่าชีวิตเราเนี่ยที่จริงแล้วถ้าเราดูดีมันมีกรรมอยู่สามกลุ่มใหญ่ๆกรรมในชาติก่ อ, อ, นอนๆโน้นคือเรานับไม่หวาดไม่ไหวไม่รู้ อ, อให้ผลแล้วหรือยังไม่ให้ผลเนี่ยเราไม่รู้เรื่องรบบแต่มันมีกรรมในอดีตตกาลนานไกลที่ไต ต, ติดตามมาตลอดที่เราเรียกว่าอุป อ, อัปปาปาะเวทนยกรรมกรรมให้ผมในีพบชาติต่อๆไป อีกคำหนึ่งคือกรรมที่เราทําในชาติก่อนอีกประเภทหนึ่งกรรมที่เราทําในปีก่อนปีก่อนอก่อนเดือนก่อนก่อนวันก่อนก่อนแล้วกรรมที่เราทําในขณะนั้นนั้นเห็นว่าแต่ละกรรมเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้สามสามประเภทแรกเนี่ยเราไม่รู้แต่ที่ท่านเรียกไว้ในบาลีว่าทิฏฐธรรมเวทานากรรมกรรมให้ผลในชาติปัจจุบัน อ, อ้โประชาเวทานากรรมกรรมให้ผลในชาติต่อไป อภรรยาเวทนยกรรมกรรมให้ผลในชาติต่อต่อไปทีนี้ก็เป็นการพูดจากชาติก่อนๆนะเพราะเวลามาอยู่ปัจจุบันไอ้กรรมตรงเนี้ยที่จริงก็คือกรรมมันซ้อนกันอยู่สามสี่กับที่เรารับผิดอบได้จริงๆคือกรรมในแต่ละขณะกรรมอดีเราไม่รู้นะฮะมันมันเกิดขึ้นแล้วกรรมในแต่ละขณะว่าเราไม่ทําก็ได้เราจะทําก็ได้คือทําไมต้องทําล่ะ มันก็ต้องเอาชนะใจตัวเองข่มใจตัวเองหาข้ามใจตัวเองอย่างสมมติเนี่ยอย่างทุกข์ที่เกิดจากโลกกระทำในท่านเดียวสากตะทุกเนี่ยหมายความมาได้ส่วนที่เราต้องการได้ลาบได้ยศได้สรเสริญได้ความสุขก็เป็นห่วงหวงนะสิ่งเหล่านั้นมิตกังวลกลัวจะเปลี่ยนแปลงกลัวจะสูญเสียกลัวจะพลาดพลาดกลัวจะถูกยื้แย้งพอมาถึง ไอ้ส่วนที่เสือเส่อมลาบเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาประสบความทุกข์มันก็เป็นอย่างนี้ดิค่ะนะคล้ายๆกับว่าเราถูกซ้าเติมทาไมจึงต้องเป็นเราเกิดเครียดแค้นอึดอัดขัดข้องไปด้วยประการต่ตางๆใกล้ๆก็เราเจอคนเดียวนะก็เจอเยอะไปนะคือในขณะที่เราทุกข์เดียมันมีคนทุกข์กว่าเสมอฮไม่มีใครที่ทุกข์ที่สุดมันจะมีที่สุดกว่านะฮะ สุขที่สุดก็ไม่มีนะฮะนอกจากพระพระอาหารหันต์ในขณะที่เราบอกว่าสุขเดี๋ยวเราก็าสุขกว่ามันเหมือนของสูงของใหญ่นะของหนักของอะไรแต่ไหนแต่เพราที่สุดในโลกที่สุดในโลกนี่ก็ว่ากันไปอย่างนั้นย้อนนึกวนก่อ น, อนว่าก็ไปทางโคราชนะเวลานี้ทางซ้ายมือนี่ท่านเจเหนว่ามันมีรูปสมเด็จพระพุทธทาจาร์โตพรหมรังสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก็แน่แหละฮะในประเทศอื่นมันไม่มีหรอกก็มีเฉพาะในประเทศไทยแล้วประเทศไทยก็ไม่มีใครสร้างโตขนาดนั้นมันก็ใหญ่ที่สุดในโลกวันทิปั๊มน้ำมันเนี่ยเราพูดเราใหญ่ที่สุดในโลกเรารู้ได้ยังไงในประเทศอื่นเราไม่เคยไปสมรวดอะไรแต่ว่ารูปหล่อพระอย่างนั้นมันก็พูดได้นะฮะเพราะว่าสมเด็จโตเป็นพระไทยคนที่สร้างก็เป็นพระไทย แล้วก็สร้างรูปที่ขนาดต่างๆเราสร้างใหญ่ที่สุดมันก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นแหละคือไปเทียบอะไรในโลกมันไม่มีให้เทียบอะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีเราที่สุดนะเป็นที่สุดในแต่ละขนาดได้อย่างของสูงๆทั้งหลายเนี่ยมันก็มีสูงกว่าอยู่สูงที่สุดระสูงที่สุดมันก็มีคนที่สูงกว่าอีก แต่นี้ก็คือการมองในแง่มุมต่างๆมันช่วยบรรเทาปัญหาช่วยลดละการกำเริบเสพสาต่างๆเพราะไม่มีอะไรที่สุดทุกฟังทั้หลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเทาน่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี